เมื่อชีวิตเจอปัญหาแค่เห็นว่าลมหายใจติดขัดในขณะเครียดก็นับว่าเริ่มทําบุญแล้วแค่เห็นว่าลมหายใจยาวขึ้นได้ในขณะมีสติใจเกิดข้อสรุปว่าลมติดขัดไม่เที่ยงก็นับว่าทําบุญใหญ่สําเร็จแล้วถ้าชีวิตมีปัญหาเรื้อรังแล้วทั้งวันเอาแต่คิดถึงปัญหาเก่า แถมติดนิสัยก่อปัญหาใหม่เป็นระยะ ะ, ยะในที่สุดชีวิตจะติดอยู่กับปัญหาออกจากปัญหาไม่ได้จนวันตายถ้าชีวิตเจอปัญหาแล้วเรียบคิดถึงวิธีแก้ปัญหาไม่ปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังอีกทั้งไม่แก้ปัญหาเก่าด้วยการก่อปัญหาใหม่ในที่สุดชีวิตจะมีวันออกจากปัญหาชาวพุทธ ได้เปรียบคนไม่มีศาสนาในเรื่องโอกาสทําบุญแก้ปัญหาแต่ปัญหาของชาวพุทธคือไม่รู้ว่าบุญมีทั้งการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสติหรือบางทีก็ติดปัญหาเรื่องหวังเอาผลบุญไปสวยสุขชาติหน้าไม่คิดเอาบุญมาแก้ทุกข์แก้ปัญหาในชาตินี้การเจริญสติเป็นบุญระดับสูงสุด เริ่มทำได้ตั้งแต่ตอนกําลังมีปัญหาเพียงแค่ทำความเข้าใจว่าความเครียดไม่เที่ยงเรื่องหน้าเครียดไม่เที่ยงเหตุมาอย่างไรก็แก้เหตุไปอย่างนั้นเดี๋ยวความเครียดและเรื่องหน้าเครียดก็หายไปเองแค่นี้ก็นับว่าเริ่มทำบุญใหญ่แล้วแม่เห็นลมหายใจติดขัดในเวลาเครียดก็นับว่าเริ่มทาบุญ และเมื่อรู้ว่ามีสติได้ก็หายใจยาวขึ้นได้เกิดข้อสรุปกับใจว่าลมหายใจติดขัดเป็นของไม่เที่ยงก็นับว่าทาบุญใหญ่สำเร็จแล้วแม้เห็นความอึดอัดแน่นอกก็นับว่าเริ่มทำบุญและเมื่อรู้ว่ามีสติได้ก็ปลอดโปร่งโล่งอกได้เกิดข้อสรุปกับใจว่า ความอึดอัดแน่นอกเป็นของไม่เที่ยงก็นับว่าทำบุญใหญ่สำเร็จแล้วคนที่ทำบุญใหญ่สำเร็จบ่อยๆมาคลี่คลายปัญหาร้ายๆให้กลายเป็นดีได้ทันตาจิตสว่างสบายได้ในท่ามกลางปัญหาหนักไม่โอดครวนเรื่องผลบุญมีจริงหรือไม่มีจริงส่วนคนที่นานๆทีค่อยทำบุญเล็กๆ แต่ตั้งหน้าตั้งตาหวังผลทางลัดก็ฟุ้งซ่านกับปัญหาต่อไปแถมน้อยใจบุญกรรมว่าไม่ช่วยเหลือสถทีจึงอดครวญไม่เลิกว่าบุญกรรมไม่มีจริงเหมือนคนกระหายที่มาพบพ่วงน้ำใหญ่แต่มีม่านบางๆบางตาไว้หรือไม่รู้วิธีดื่มกินให้หายหิว